ใจผูกพันอยู่ในแวาดนั้นด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งก็ดีแาวาดนั้นจึงเป็นปริโพศสําหรับภิกษุนั้นเท่านั้นหาเป็นแก่ภิกษุนอกนั้นไม่เรื่องต่อไปนี้เป็นนิทัศนะในความที่แาวาดไม่เป็นปริโพศนั้นมีเรื่องเล่าว่ากุ่บวชสองคนออกจากเมืองอนุราทัปุระเดินทางไปจนได้ไปบวชอยู่ในวัฏถูปารามบรรพชิตสองรูปนั้น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 ไหว้แล้วเรียนว่าโรหณชนบทเท่านั้นเป็นที่สับไ ป, ปจะสำหรับผมขอรับแล้วก็ลาไปข้างพระเถระก็มาสู่โกรันทกวิหารรุ่งขึ้นจึงเข้าไปหมู่บ้านโกรันทกาคามฝ่ายอุบาสิกาหวังใจว่าหลวงพี่ของฉันจะพาพระลูกชายของฉันมาประเดี๋ยนีหละก็เฝ้ายืนมองผลทางอยู่ทุกวี่วันวันนั้นนางเห็นท่านมาองเดียวสำคัญเอาว่า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 พวกพิสูจนผู้ถือบิณฑบาตเป็นวัดประเภทพาหุรลิกะคือมากๆากเลยผัจจัยก็พากันมาบอกว่าท่านพูดเจริญอุบาสกโนอนอุบาสิกานโนนอมาร์ตนโนนบุตรอมาร์ตนโนนธิดาอมาร์ตนโนนใครจะเห็นท่านเธอขัดเขาไม่ได้ก็บอกพิสูจน์เหล่านั้นให้ช่วยถือบาจีวรแล้วเป็นผู้เตรียมที่จะไปทีเดียวเป็นผู้ท้องขวนก้ายในการสงเคราะห์พวกอื่นอยู่เป็นนิด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 เพราะฉะนั้นทำยาให้บุตรทั้ทงหลายของเขาเหล่านั้นย่อมควร อ, อาพาธปริพอโรคชนิดใดชนิดหนึ่งชื่อว่าอาพาธโรคนั้นมันเบียดเบียนเอาจึงชื่อว่าปริพอดเพราะเหตุนั้นพึงตัดหงินสีด้วยการทำเพสัตรแต่ถ้าแม้เมื่อภิกษุทำเศสัตรรัก ษ, ษ, ษาอยู่สองสามวันอาพาธไม่สงบสายก็พึงตีเตียนอัตภาว่าข้าไม่ใช่บาวไม่ใช่ลูกจ้างของเจ้า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 เรื่องเหล่านี้เป็นนิทัศนะในความที่คันธะไม่เป็นบริโภทศสาหรับภิกษุผู้ไม่ขวนขวายได้ยินมาว่าพระเทวเถระผู้เป็นมัชชิมะพานกะคือสวดมัชชิมะนิกายไปสู่สำนักของพระเทวเถระชาวมะลายขอเรียนกรรมฐานพระเถระถามว่าอาุโซท่านเป็นผู้ใดขนาดไหนในประยัติพระมัชชิมะพานกะตอบว่า